หาไม่ได้ครับพระพุทธเจ้าค่ะก็แปลว่าไมถึงขนาดนั้นลรอกันนะหมายความว่าไม่รู้ในวิสัยของพระสัพพัญยูแต่รู้ในวิสัยของสาวกเพราะฉะนั้นต่อบว่าหาไม่ได้หมายความไม่รู้ในวิสัยของพระพุทธเจ้าแต่รู้เฉพาะในวิสัยของพระสาวกพระพุทธเจ้าก็ถามต่อไปว่าดูก่อนสหริบุตรแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นใด ที่จะมีต่อไปในอนาคตตางกั hr, น, <า> น, น, นกเธอกําหนดรู้แล้วด้วยใจซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นทุกพระองค์ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้แม้ด้วยประการชนี้เป็นผู้มีธรรมอย่างนี้แม้ด้วยประการชนิดเป็นผู้มีปัญญาแม้อย่างนี้ด้วยประการชนิดเป็นผู้มีวิหารธรรมธรรมเครื่องอยู่อย่างนี้แม้ด้วยประการชนี้ เป็นผู้มีวิมุตต์หลุดพ้นพิเศษแล้วอย่างนี้แม้ด้วยประการดังนี้หรือตรวจสอบแล้วใช่ไหมว่าพระพุทธเจ้าที่จะมีต่อไปในอนาคตนั้นอ่ะมีศีลมีธรรมคือสมาธิมีปัญญามีวิหารธรรมมีวิมุตต์อย่างนี้อย่างนี้สำรวจตรวจสอบหมดแล้วใช่ไหมหาไม่ได้พระเจ้าค่ะแต่ท่านรู้ในวิสัยในส่วนของสาวกะนะแต่วิสัยพระพุทธเจ้าไม่รู้อันนะ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 พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้พ้นวิเศษแล้วอย่างนี้แม้ด้วยประการชนิดดังนี้หรือก็แปลภาษาไทยว่าเธอตรวจสอบเราหมดแล้วใช่ไหมว่าเราเนี่ยมียังไงเป็นอย่างไรตรวจสอบรายละเอียดทียิบหมดเลยใช่ไหมหาไม่ได้พระเจ้าข่าห น, น ดูก่อนสาริบทก็เพราะเธอไม่มียานเพื่อกำหนดรู้ใจด้วยใจเธอไม่มีสัพพัญญุตญาณในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นที่จะรู้พระสัพพัญญูคุณทั้งหมดที่เคยมีในอดีตในอนาคตและปัจจุบันเมื่อเป็นอย่างนั้นพ่อเหตุไรเธอจึงกล่าววาจาอันอง อ, อ, อันอาจหาันโอฬานอย่างนี้ถึงกับบรรลือศีหานาทที่เชื่อถือได้โดยแท้กล้าพูดได้อย่างนี้ว่า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 ฟังให้ดีแต่ว่าคือคื อ, คอหมายก็ว่าจะพูดอะไรมันควรจะมันต้องมีเหตุผลใช่ไหเธออาศัยเหตุผลอะไรจึงได้กล่าววาจาที่องอาจขนาดนี้ภาษารีบุต์ก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่มีญาณเพื่อจะกำหนดรู้ด้วยใจคือไม่ไม่สามารถใช้สัพพัญยุตยานไปตรวจรู้อดีตอนาคตเช่นนั้นหรอกไม่สามารถจะไปกับตรวจ ด, ดูพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตในอนาคตปัจจุบัน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 อ ย, อย่างที่เราเรียนบอกว่ารู้ไหมว่าพระพุทธเจ้าเป็นยังไงเป็นยังไงจัดตามที่เราเรียนตามพระไตรปิฎกเราเชื่อไหมบอกเชื่อเห็นจริงไหมบอกไม่รู้ด้วยสัพพัญยูเหมือนพระพุทธเจ้าไหมบอกไม่เอาแล้วทำไมเชื่อก็โดยการอนุมานตามคันลองแห่งคำที่พระพุทธเจ้าสอนนี่แหละทำให้รู้ได้เนี่ยทำให้รู้ได้ก็อาศัยตามแนวทางแห่งคาสอน ทีนี้เขาบอกว่าวินยูชนในโลกจะเข้าใจเนื้อความได้ก็ต้องอาศัยอุปมาภาษาริบทก็อุปมาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเปรียบเหมือนนครที่ตั้งอยู่ชายแดนของพระราชาเปรียบเหมือนเมืองเล็กกิ่งน้อยเป็นเมืองเล็น้อยอยู่เมืองหนึ่งเนี่ยนะเป็นเมืองที่มีประตูมั่นคงมีค่ายมีกําแพงมีเสาค่ายแน่นหนาและเป็นเมืองที่มีประตูเดียวด้วยเมืองเมืองเมืองไม่ใหญ่นะเมืองไม่ใหญ่เป็นเมืองที่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 เป็นกำแพงติดกันเป็นเพื่อบไปหมดไม่มีช่องข้อต่อไม่มีหรือไม่มีช่องว่างระหว่างในกำแพงไม่มีช่องว่างเลยแม้เพียงโดยที่สุดแมวลอดออกไปได้มิดชิดมากเมืองนี้นะกำแพงก็สูงด้วยนะมิดชิดมากแมวแมวยังลอดไม่ได้เลยเหมือนั้นไม่ต้องพูดถึงคนเหมือนกนนายประตูนั้นจึงมีความคิดอย่างนี้ว่าสัตว์มีชีวิตขนาดเรื่องไรๆเหล่าใด เข้ามาในเมืองนี้ก็ดีสัตว์ที่จะเข้าในเมืองเนี่ยนะที่เกินแมวเนี่ยหมดสิทธิ์แน่นอนที่จะเข้าเมืองนี้ก็ดีที่จะออกเมืองนี้ก็ดีสัตว์มีชีวิตเหล่านั้นทั้งหมดจะเข้าหรือออกโดยประตูนี้ประตูเดียวฉันใดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ก็ฉันนั้นนั่นแลรู้การดำเนินไปตามทางแห่งธรรมโดยดว่าโดยอนุมานตามคลองแห่งธรรมเนี่ยนะอาศัยแนวทางตามคาสอนของพระพุทธเจ้า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 เป็นตัวที่ทําปัญญาให้ทุรพลคือหมดกําลังว่างั้นเถอะหมดกำลังใจโมเรียวโมแรงไปหมดก็เพราะนิวรณ์นี่แหละทําให้หมดกําลังใจหมดเพราะฉะนั้นที่หมดกําลังใจก็เพราะตัวนิวรณ์และพระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็เป็นผู้มีจิตเข้าไปตั้งไว้ด้วยดีแล้วในสติปัฏฐานสี่เจริญโพชฌงเจตตามความเป็นจริงละนิวรณ์5จิตตั้งอยู่ในสติปัฏฐานเจริญโพชฌงเจต จึงได้ตรัสรู้ยิ่งซึ่งพระสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมอันนี้เร่ากคลองแห่งการปฏิบัติเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้า น, นะละนิวรห้าจิตตารงมั่นในสติปัฏฐานเจริญโพชฌงเจ็บรรลุสัพพัญยุตยานบรรลุสัมโพธิญาณอันนี้คือแนวทางพระพุทธเจ้าในอดีตทุกพระองค์เป็นอย่างนี้แหละข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นใดที่จะมีต่อไปในอนาคต พระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้นทุกพระองค์ก็ทรงละนิวร์ห้าประการซึ่งเป็นอุปกิเล์เครื่องเศร้าหมองของใจที่ทำปัญญาให้ทุรพลพระพุทธเจ้าเหล่านั้นรู้แต่เป็นผู้มีจิตเข้าไปตั้งมั่นด้วยดีในสติปัฏฐานสี่เจริญโพชฌงเจ็ดตามความเป็นจริงจากตรัสรู้ยิ่งซึ่งพระสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมนนะคิว่าแนวทางคันลองแห่งการตรัสรู้ก็ละนิวร์เจริญ สติปัฏฐานและอบรมพุทชงนั่นเองข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้พระผู้มีพระภาคพร ะ, ะผู้เป็นองค์อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้พระองค์ก็ละแล้วซึ่งนิวรณห้าประการซึ่งเป็นอุปกเลส ข, ของใจเป็นเครื่องทำปัญญาให้ทุรพลเป็นผู้มีจิตเข้าไปตั้งอยู่ด้วยด้วยดีในสติปัฏฐานสเจริญพชงเจ็ดตามเป็นจริง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 พระพุทธเจ้าสอนให้ภาษาบอกให้ภาษารียบุตรเนี่ยกล่าวสูตรนี้บ่อยๆเนะเพื่อที่จะตัด ข, ขจัดความสงสัยแห่งโมคข้าบุรุษบางพวกพลังันที่ไม่เลื่อมใสในพระพุทธคุณเนี่ยนะซึ่งเป็นพระสูตรที่คนฟังแล้วก็บอกว่าเลื่อมใสามากเนยะเพราะว่าผู้ที่ชื่นชมเนี่ยเป็นคนมีปัญญา ก็อย่างที่กล่าวว่าเอาคนไม่รู้เรื่องมาชมเนี่ยนะมันไม่น่าฟังมันน่ารำคาญมากนะแต่นี้คนที่มีความรู้ที่สุดมาชมคนที่มีความรู้ยิ่งกว่าว่างั้นะที่สุดของสาวกเนี่ยนะก็คือภาษารีบุทแลคนที่มีความรู้ที่สุดระดับสาวกเนี่ยชื่นชมพระพุทธเจ้าผู้ผู้ที่มีคุณยิ่งกว่าเนี่ยจะไพร่ขนาดไหนะนั้นใครอยากอ่านก็ไปอ่านในสัมภาษาทนิยสูตรลวกันกล่าวกันมาว่าณที่ ปาวาริกรัมพวันนั่นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่เมืองอขอพายูณปนะาวาธิกัมพวันในเมืองนาลันทานั้นก็ทรงทำ ม, มีกถานี้นั่นแหลเป็นอันมากแก่พิสุทั้งหลายว่าศีลมีอยู่ด้วยประการชนี้สมาธิก็มีอยู่ด้วยประการชนี้ปัญญามีอยู่ด้วยประการชนี้นะ จะพูดอีกในหนึ่งศีลก็คือวินัยปิฎกสมาธิก็คือพระสุตตันตปิฎกปัญญาก็คือพระอภิธรรมปิฎกอ่ะนะศีลสมาธิปัญญาถ้าเรียงมาแล้วก็จะเป็นวิสุทธิเจ็ประการหรือเป็นมรรคแสมาธิเนี่ยนะถ้าหมายเขาว่าถ้าอบรมสมาธิแล้วเนี่ยนะขออภยัยถ้าอบรมศีลเป็นอย่างดีแล้วสมาธิก็จะมีผลมากเมียนิสง์มากถ้าอบรมสมาธิไว้ดีแล้วปัญญาเนี่ยนะก็จะมีผลมากมียนิสง์มาก ปัญญาที่อบรมดีแล้วจิตก็จะมีผลมากเมียในสงมากหมายคาอว่าถ้าอบรมดีๆเนี่ยนะคุณธรรมชั้นสูงก็ยิ่งมีคุณค่ามีราคายิ่งยิ่งขึ้นไปหั้นถ้าอบรมปัญญาดีเพียงทอเนี่ยนะจิตหลุดพ้นจากอาสะวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นเนี่ยนะไม่ถือมั่นด้วยกามุปาทานที่ถูกปาทานสีระพตุปาทานและอตตวาทุปาทานหลุดพ้นจากกามาสะวะด้วยอนาคามีมรรคหลุดพ้นจาก ภาวาสะวะอวิชชาสะวะด้วยอรหัตตมรตหลุดพ้นจากทิฏฐสะวะด้วยโสดาปติมรตนั่นเองเดี๋ยวพักสะก่อนเนี่ยนะค่อยกล่าวในเรื่องปาตลิคาม